บางทีครูบาอาจารย์แนะนวไปทางผิดก็เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างที่องค์ุลิมารเป็นคนพูดจริงทำจริงนี่มันไม่คู่อิสสาริษยาเบียเดเบียนกันก็เลยแนะนำให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ครูอาจารย์ก็เลยแนะ แ, แนวในทางที่ผิด